รักษาอุโบสถแล้วก็เจริญอนุสติด้วยนแะม่สมบัติในโลกท่านว่าสมบัติของคนยากเลยพราะนังง้นถ้าเจริญกุศลอันนี้ได้เนี่ยนะพระ อ, องค์ตรัสว่างั้นนะถ้าเรามีศรัทธาก็ควรที่จะรักษาคือรักษาอุโบสถ ด, ด้วยเจริญอริยะอุโบสถ ด, ด้วยเหนไหมหมายถึงอุโบสถประเภทอริยะอุโบสถนะไม่ใช่ศักแต่ว่าสมท า, านคือสมท า, านแล้วก็ให้จิตเป็นไปกับผู้ทานนุสติเป็นต้นเนี่ยนะ สมบัติในโลกเป็นสมบัติของคนยากเลยนะเพราะเหตุอันนั้นนี่ไม่ใช่ธรรมดาเป็นเหตุอย่างดีเลยเราได้กล่าวถึงอายตนะมาคืออายตนะบพะนะไม่ใช่ไม่ใช่เน้นตัวที่บาบโดยอายตนะแต่ว่าอายตนะบพะในธรรมานุปัสนาสติปทานได้กล่าวมาอาทิตย์หนึ่งละ คงพอระลึกได้นะว่าพุทธพจน์ในอายตนบะบพพาเนี่กล่าวว่าอย่างไงคือการพิจารณาธรรมะนั้นถ้าดระลึกถึงธรรมะคือคําสอนในชั้นต้นไม่ได้การเจริญหรือการพิจารณาเนี่ยนะดูจะห่างไกลมากถามว่าไงเหมือนกับคนจะเดินทางแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยน ะ, ะที่ไปก็จําไม่ได้วิธีไปก็ไม่รู้ ไปยังไงก่อใหม่รู้แล้วการเดินทางนี่ก็แสดงว่าห่างมากเพราะว่าไม่รู้ตั้งแต่ทางไปจุดมุ่งหมายก็ไม่รู้ฉันใดการพิจารณาคําสอนก็เหมือนกันถ้าทรงจําคําสอนในหมวดนั้นๆไม่ได้การพิจารณาเป็นต้นนี่ก็ถือว่าหมดสิทธิ์เลยนะคือเป็นไปไม่ได้นั่นเองนั้นก็ถ้าเรามีศรัทธาที่จะพิจารณาคําสอนหมวดใดก็ควรที่จะทรงจําคําสอนหมวดนั้นเอาไว้ เพราะว่าคําสอนหมวดนั้นๆเนี่ยนะที่เราจะเอาไปพิจารณาการทรงจํานั่นแหละเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติ ธ, ธรรมะหมวดนั้นๆนะพระนลท่านบอกงั้นถ้าทรงจําหรือฟังสุตะก็ไม่ควรทําสุตตะให้ให้เลอะเลือนหายไปเพราะสุตะที่ฟังได้นั้นน่ะที่ทรงจําไว้ได้นั้นนะ่ะเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ในอายตนะบาาัพพาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าไง นันะพรู้ชัดใช่ไหมรู้ชัดจากสุรู้ชัดรูปรู้ชัดสังโยตที่อาศัยจากสุและรูปนันะสังโยตที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยตท SI ี่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยตที่ละได้แล้ว well จะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วย ว่าโดยสรุปก็คือรู้ชัดตารู้ชัดรูปคือสีเนี่ยนะรู้ชัดหูรู้ชัดเสียงรู้ชัดจมูกรู้ชัดกลิ่นรู้ชัดลิ้นรู้ชัดรสรู้ชัดกายรู้ชัดโพธภะรู้ชัดมโนรู้จักรู้ชัดธรรมะเนี่ยนะแล้วก็รู้ชัดสังโยตที่อาศัยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วย คือสังโยชน์ที่อาศายัยตาหูจมูกลิ้นกายใจสังโยชน์ที่อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโภชพะและธรรมรมสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดเนี่ยในสิ่งเหล่านี้ถ้ามันยังไม่เกิดมันจะเกิดได้ไหมถ้ามันจะเกิดมันเกิดเพราะอะไรรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ทั้งหลายที่เกิดในวัตถุในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะะละเสียได้ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วเนี่ยนะหมา ย, มยว่าละเด็ดขาด ด้วยประการใดหรือที่ไหนนะก็รู้ชัดประการนั้นด้วยอย่างนี้แหละเรียกว่ารูชัดอายตนะเนี่ยนะหรือเจริญอายตนะแล้วการพิจารณาอย่างนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะภายในอย่างเดียวปองปรัดว่าพึงพิจารณาเป็นภายในบ้างพิจารณาเป็นภายนอกบ้างพิจารณาทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมบ้างนะอยู่อันหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมะคืออายตนะเป็นต้นเนี่ยนะมีอยู่ก็เพียงเพื่อให้เกิดความรู้เพราะว่าอายต น, นะเป็นต้นในฐานะเป็นปริญยยธรรมใช่ไหมเมื่อปริญยยธรรมก็เพียงเพื่อให้ภ า, าเวตประธรรมเนี่ยเจริญยิ่งขึ้น ความรู้เนี่ยเป็นาพาเวตประธรรมคือญาณนะเนี่ยนะต้องเจริญมากยิ่งขึ้นสติมากขึ้นสัมปชัญญะมากขึ้นถ้าเจริญถูกละอภิชาและโทมนัสในอุปาทานขันได้มากขึ้นคือละความยึดถือว่าเที่ยงได้มากขึ้นละความยึดถือว่าสุขละความยึดถือว่าอัตตาเนี่ยนะก็คือละในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้แล้วก็ไม่ยึดถือด้วยอํานาจ วิปลาดทั้งหลายในอุปาทานขันทุกชนิดนั้นการทรงจําถือว่าเป็นเบื้องต้นจริงๆที่เป็นอาหารในการพิจารณาต่อไปถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการพิจารณาซึ่ง<ม>ถ้ามีการทรงจําสักสูตรหนึ่งหรือสักหมวดหนึ่งที่เรามีสธานะแล้วก็เอาธรรมะหมวดนั้นแหละมาพิจารณาให้บ่อยๆให้มากๆก็ นั่นแหละเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติแล้วแต่ถ้ามีศรัทธาลักษณะว่าฟังไม่ให้นิวรณกลุ่มล ม, มอันนั้นก็ดีนั่นแหละก็บางท่านก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลคือแบบอริยะสาวกสมัยพุทธ ก, กาลก็เหมือนกันก็คือฟังไม่ให้นิวรณ์ถ้ากลุ่มลมเนี่ยนะจะมาฟังประจําวันไปก็เหมือนกับอาหารพิเศษสักมื้อหนึ่งอันนั้นก็ทานไปเรื่อยๆนั่นเองนี่ในบรรดาอายตนะทั้งหลาย เนี่ยนะก็รู้ชัดทั้งอายตนะภายในและอายตนะภายนอกอายตนะภายในนี้เป็นชื่อของตาหู้จมูกเลนกายและใจเนี่ยนก็รู้ชัดรู้ชัดว่ายังไงรู้ชัดว่าตาเป็นตาใช่ไหอรู้ชัดเป็นยังไงรู้ชัดตารู้ชัดสีเออก็เป็นสีอ่ะก็รู้แล้วว่าเป็นตาเป็นสีอย่างนี้หรือเปล่าได้ป่ารู้ชัดพอไหม ก็ตัง้งคำถามมารู้แค่นี้พอไหมจะพ้นทุกกันนะคือถ้ารู้เข้านั้นและพ้นทุกได้ก็รู้ไปเถอะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้ารู้แล้วไม่พ้นทุกอ่ะควรจะศึกษาให้มากกว่านั้นนะนะคือจุดประสงค์หรือที่เอามากล่าวก็คืออันนี้สงสติประธานว่าไงบ้างนะเรียนมานอนแล้วนี่ปีกว่าแล้วจะเข้าปีเข้าปีสองแล้วสูตรเดียวเนี่ยเ<ส>พื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมเพื่อก้าวล่วงโสกะป ร, ะริเทวะนี่นะเพื่อ ดับไปแห่งทุกขะโทมนัตเพื่อบรรลุอริยมรรคเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งนะอันนั้ น, น, นคืออ น, นิสงค์ของสติปัฏฐานอันคำถามว่ารู้ชัดตารู้ชัดสีก็รู้ชัดแค่ไหนก็รู้ชัดพอที่จะหมดกิเลสนั่นแหะรงี้ยแทนรู้ชัดพอที่จะดับโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปาญาตรู้ชัดพอที่จะทําให้แจ้งอริยมรรครู้ชัดพอที่จะเห็นพระนิพพาน น, น, นั่นแหะก็ถ้ารู้ชัดขนาดนั้น ไม่ใช่ว่านั่งท่องตาสีตาสีอ่ะนะถามาท่องก็ได้ไหมก็ได้อ่ะได้ท่องไนงะซึ่งก็ทบทวนนะจักษุนะคือตาเนี่ยตัวจักระนั้นเป็นความใสของอะไรจักษุเป็นความใสของมหาพูทนะมหาพูทธรูปสีเนี่ยนะที่เกิดจากกรรมมีรูปปตัตนหาเป็นปัจจัย โสตะก็ในยะเดียวกันแต่ว่ามีสัพทะตันหาเป็นปัจจัยคานะก็เป็นความใสของมหาพูดที่เกิดจากกรรมแล้วก็มีคันทะตันหาเป็นปัจจัยเนี่ยนะส่วนชิวหาเป็นความใสของมหาภูตรูปที่เกิดจากกรรม มีระสะตันหาเป็นปัจจัยส่วนกายก็เป็นความใสของมหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมเหมือนกันแล้วก็มีโพธพะตันหาเป็นปัจจัยส่วนมโนโคือภวังเนี่ยนะตัวมโนเนี่ยหมายถึงภวังเน้นภวังก่อนอ่มโนอันนี้นี่มีนามรูปเป็นปัจจัยหรือถ้ากล่าว ว่าเป็นวิญญาณนะถ้ากล่าวในแง่วิญญาณก็มีสังขารเป็นปัจจัยสังขารมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีอวิชาเป็นปัจจัยพิเศษอย่างหนึ่งคือคำว่ากายเนี่ยนะคำว่ากายนี่กว้างรวมทั้งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยพวกนี้เรียกว่าเป็นกายทั้งหมดนนะ เพราะคําว่ากายนี้เอาส่วนไหนก็มีการแยกแยะพอแยกแยะไปแล้วก็คืออาการ32สองเป็นต้นนะนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกี่ยในกระดูกม้ามหัวใจไตพังผืดปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดน้ําเลือดน้ําเลืองน้ำหนองน้ามันข้นน้ำมันเลวอะพวกนั้นอะเรียกว่ากายก็รู้ชัดถ้าเป็นในอายตนาวิพังเนี่ยพระองค์ตรัสว่า จักขวายตนะคือจักสุเนี่ยนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปายตนะคือรูปเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาโสตายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเสียงคือสัทธะเนี่ยนะสัทธายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา คานะคือจมูกเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาคันทะคือกล่นเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเชียวหาคือลิ้นเนี่ยนะเชียวหายาตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาระสายยตนะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ยนะกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาโพธะะก็ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดามานายตนาหรือมโนเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแล้วก็ธรรมะธรรมะตัวนี้เนี่ยก็ธรรมะในภูมิสามนะเรียกว่าปลายภูมิเลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาก็อันนี้เป็นข้อความในอายตนาวิพังนะสุดตันตนาเนี่ยจะทขึ้นต้นด้วยพุทธพจน์อย่างนี้แล้วก็ถ้าพวก อุคติตันยูเนี่ยฟังแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมเพราะเขาบรรลุไปแล้วเท่าที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยเรามีใครผางขึ้นมาเลยไหมคุณเฉลิมผางเลยไหมไม่ว่าก็เออมันคั่มแล้วต่อย้อนอีกครั้งหนึ่งนะว่ารูปทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะมีอะไรเป็นปัจจัยหรือมีอะไรเป็นเหตุใกล้นะสีเสียงกลิ่นรสโผฏภะไม่มีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็คือมหาพูดนั่นแหละเป็น เหตุใกล้รูปทุกรูปให้รู้เถอะว่ามีมหาพูดเป็นเหตุใกล้จะรูปไหนก็ช่างเถอะเสร็จแล้วค่อยมาไล่ว่ามหาพูดนั้นมาจากปัจจัยอะไรค่อยว่าอีกทีหนึง่งอย่างสีก็คือมหาพูดเนี่ยเป็นเป็นสีของมหาพูดสีเนี่ยมันอยู่ลำพังตัวมันเองไม่ได้เนี่ยนะเป็นของมหาพูดมหาพูดเป็นปัจจัยแก่สีเนี่ยนะสีเป็นอุปาทายรูปทีนี้ถ้ากล่าวแต่ว่า ในแง่ปัจจัยคือมหาพูดเป็นเหตุใกล้ของสีเสียงกลิ่นรสเนี่ยในฐานะผู้ศึกษากว้างขวางมาเขาละไว้ในฐานะที่รู้กันนั้นเขาก็จะรู้กันอย่างนั้นะก็จะพูดคร่าวๆ ว, ว่ารูปเกิดจากสมุดฐานสี่นะเสียงเกิดจากสมุดฐานสองกลิ่นสมุดฐานสี่รสสมุดฐานสี่โภตพภะสมุทฐานสี่ธรรมะก็อก็แล้วแต่ว่าไปแยกว่าธรรมะ คือเจตสิกธรรมะคือสุขุมรูปก็มาไล่ตามนั้นไปว่าเจตสิกนี่เกิดจากอะไรเนี่ยนะสุขุมรูปเกิดจากอะไรก็สีรูปายตนะนี่เกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารส่วนเสียงเนี่ยท่านั้นที่แตกต่างกับเพื่อนเขาเพราะเสียงเกิดจากจิตอย่างหนึ่งเกิดจาก อโตุเนี่ยอย่างหนึ่งเนี่ยนะคืออันนี้คือปัจจัยของเสียงมีอยู่ปัจจัยสองประการคือจิตกับอุตุส่วนสีกลิ่นรสโทธพะเกิดจากบางอย่างก็เกิดจากกรรมบางอย่างก็เกิดจากจิตบางอย่างเกิดจากอุตุบางอย่างเกิดจากอาหารพวกนี้เป็นเครื่องต่ อ, อให้เกิดปกตินะตวกนี้ใช้ในหัวข้อว า, อายตนะ อายตนะนี้แปลว่าที่ต่อที่ต่อแห่งอะไรที่ต่อของจิตและเจตสิกเมื่อมีอายตนะภายในมีอายตนะภายนอกจิตเจตสิกก็ก็เกิดขึ้นทีนี้จิตเจตสิกเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่อะไรสังโยน์ที่ที่เรากําลังเรียนกันอยู่เนี่ยนะคือสังโยน์ทีนี้สังโยต์มีสิประการนี น, นะเรียกว่าสังโยชตสิบ สังโยชน์สิมีอะไรบ้างก็ไล่แบบพระสูตรไล่แบบพระสูตรคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจชาสีละพาตปรา마 ม, มาเอาเอาเอาสามข้อใหญ่ๆก่อนนะเอาสังโยชน์สามมากล่าวกันก่อนวิธีฝึกเจริญก็คือให้รู้ชัดอายตนะภายในให้รู้ชัดอายตนะภายนอก ให้รู้ชัดเนี่ยส ก, กายติทิวิจิกิจฉาเสลภัตตปรามมาทีท่อาศัยอายตนาภายในอายตนาภายนอกทีนี้ถ้าสังโยชน์เหล่านี้ที่ยังไม่เกิดนะส ก, กายติฐิที่ยังไม่เกิดมันจะเกิดยังไงที่เกิดขึ้นแล้วจะละามาันได้ยังไงละแล้วจะเด็ดขาดที่ไหนก็รู้ชัดใช่ไหมคาถามที่ถามว่ารู้ชัด จักรสูเนี่ยนะรู้ชัดรูปรู้ชัดสกายทิฐิที่อาศัยจักรสูดด้วยรูปเนี่มันเป็นยังไงอ่าพวกนี้คือเห็นว่าจักรสูดเป็นอัตตาในอย่างหนึ่งเห็นรูปว่าเป็นอัตตาในอย่างหนึ่งอันนี้เป็นลักษณะของสกายทิฐิคําว่าอัตตาเนี่ยนะคือคือเป็นศัพท์ของของถ้าเป็นคนนอกาศาสนาเขาจะรู้เลยว่าหมายถึงชีวะชนิดหนึ่ง ตัวชีเป็นมันมันเป็นตัวชีวะมันเป็นปุกละมันเป็นสัตตะเนี่ยนะนเป็นสัตอะหรือจะเป็นอะไรก็ตามตามแต่นิยามเขาจะให้มาเนี่ยนะหรือเรียกว่าอัตามาอัตามันอะไรก็ว่าไป ค, คือคือพวกนี้เป็นเป็นนิยามของคําว่าอัตตาซึ่งคนไทยเนี่ยว่าโดยรวมๆแล้วไม่ค่อยรู้จักชื่อแบบนี้เลชื่อแบบนี้ไทยไม่ค่อยรู้ แต่ว่ามันเป็นนิยามของนอกศาสนาแต่ก็มีนะเช่นลัทธิที่ถือว่าสัตว์บุคคลเนี่ยคือจักสุจักุอันใดสัตว์บุคคลก็อันนั้นอันเนี้ยลักษณะของลัทลักษณะของอัตตาหรือว่าสีอันใดสัตว์บุคคลก็อันนั้นบุคคลอันใดสีก็อันนั้นวันก่อนเคยกล่าวอย่างหนึ่งว่าอันหนึ่งคืออัตตาอะไวนี้เท่ากับอัตตาอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คืออัตนิยะ อัตไ ny ะแปลว่าของอัตตามีสกายทิฐิบางชนิดที่เข้าใจว่ามันไม่ใช่อัตตาหรอกพวกนี้แต่มันเป็นของอัตตาเป็นบริขารของอัตตาก็นี่ลักษณะของทิฐิสกายทิฐิจะเป็นแบบนี้นะสรุปรวมๆอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ที่มีทิฐิคือสำคัญว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นอัตตานี่อย่างหนึ่ง อีกประเภทหนึ่งถือว่าเป็นบริขารของอัตตามันไม่ใช่อัตตารกแต่มันเป็นของอัตตาอีกทีหนึ่งซึ่งอันนั้นเป็นลักษณะของส ก, กายยติทิเนี่นะทีนี้ศัพท์ว่าไทยของไทยเนี่ยนะใช้คําว่าเราอยู่ศัพท์เดียวคําว่าเราหรือภาษาหลวงพ่อพ่อคุณรามก็ได้นะก็ว่ากันเองภาษาหลวงพ่อคุณไหนะก็คําว่าเราเนี่ยนะ หรือฉันผมเป็นต้นนี้ก็อยู่ที่ที่คนนั้นอ่ะพูดด้วยทิฐิหรือไม่ใช่ทิฐิเพราะเพราะคำพูดนี้เป็นโวหารแต่ถ้าผู้ใดสำคัญแบบนั้นจริงๆอันนั่นแหละเป็นสกายะทิฐิแต่ถ้าพูดตามโวหารทั่วๆไปก็ไม่เป็นก็อยู่ที่ว่าทิฐิอ่ะเป็นยังไงอยู่ที่ว่ากล่าวด้วยจิตดวงไหนนะถ้ากล่าวด้วยจิตที่เป็นทิฐิก็เป็นทิฐิละ เอาเป็นว่าพอเข้าใจนะในแง่ของส ก, กายัตทิฏฐินะว่าอันนี้เป็นส ก, กายทิฐินะคือสําคัญว่าตาเป็นเราหรือเป็นของเราสีเป็นเราหรือเป็นของเราเราก็คืออัตานะแต่ก็คําว่าเราก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าเป็นคําที่กว้างเพราะคนพูดนั้นเข้าใจถูกหรือผิดก็อยู่ที่ทิฐิของเขาอะนะเพราะว่ามิจฉาทิฏฐินี้เกิดจากอะไร ไอความเห็นนะความสําคัญอันนั้นนะเกิดจากปัจจัยปัจจัยก็คือปรโตโคโะกับอโยนิสโสมนสิการเช่นซ่องเสพข้อมูลว่าอันนี้เป็นอาตาัตราหรือเป็นบริขารของอัตรานะรับแต่ข้อมูลแบบนั้นมาตลอดอันนี้เรียกว่าปรโตโคโะอย่างที่สองก็คือเพราะคิดเองอ่ะนะเออเองคิดเองเออเองคือไปสําคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเที่ยงเป็นสุขคือก็เลยไปสําคัญว่าเมื่อสิ่งใดมันเที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขสิ่งใดเป็นสุขมันก็ต้องเป็น อัตตาสิก็เลยคิดในแง่ความมั่นคงคาวรความไม่เปลี่ยนแปลงความเคลื่อเพลิม่มความหน้าเพลิดเพลินของสิ่งเหล่านี้ก็เลยสำคัญด้วยอำนาจของทิฏฐิเข้าไป ไ, ไ, ไอ้ละได้ไมันแค่ไหนก็นักสัจะทิฏฐิเอาเอาเมื่อกี้บอกว่ายัางละไม่ได้ทีนี้ตรงไอ้ที่มันตรงข้ามคือละไดมันเป็นยังไงลไดก็ หมายความว่าต้องเข้าใจแล้วก็ทําปริญญาเสร็จแล้วใช่งรับปริญญาเสร็จแล้วเป็นยังไงอย่างที่ว่าคือจะได้รู้ว่ามันมันถึงขนาดไหนจึงจะใช้คําว่าละได้คนที่ยังละจักรไปละที่จิไม่ได้เนี่ยคนนี้ดีถือว่ายังละหรือว่าจักสูญเป็นาัก็อย่างที่กล่าวว่าว่าเป็นจิตว่าเข้าจิตคิดด้วยจิตดวงไหนก็ว่าไปตามนั้นไปอย่างที่กล่าววันก่อน ถ้าเขาคิดด้วยโลภะวิปยุทธก็ไม่ใช่อัตตาถ้าคิดด้วยโสโทสะหรือโมหะมูลจิตหรือด้วยมหากุศลจิตก็ไม่ใช่อก็ไม่ใช่อัตตาเพราะในขณะนั้นเขาก็ไม่มีอัตตาหรือทิฐิเกิดขึ้นทิฏฐินี้มันเกิดเป็นครั้งคราวไม่ได้เกิดแช่ตลอดจนถึงขนาดว่าไม่มีเวลาว่างจาก ที่ถเลยก็ไม่ถึงขนาด น, านั้นเนี่ยนะโลภาวิปรยุตก่อนไม่ใช่น้อยนะวันๆหนึ่งเนี่ยนะเมื่อใดที่ไม่ได้คิดสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นอัตานะคิดเรื่องดอกไม้ต้นไม้ใบหญ้าเรื่องทั่วๆไปนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอัตตาอยู่แล้วแต่ก็ก็มีลทัทธิบางลทัทธิเท่านั้นแหละเนี่ยนะซึ่งของเราเนี่ยก็ไม่ได้ศึกษาเพื่อจะไปแก้ลทัทธิเหล่านั้นๆอยูแ่แล้วก็แค่เข้าใจว่าอะไรเป็นอัตตาไม่ใช่อัตตาก็ก็เพียงพอแล้วเพราะว่า ความพ้นทุกข์ไม่ได้อยู่ที่รู้แค่นี้รู้เรื่องนี้มันเป็นเบื้องต้น น, นะเพราะว่าการละเด็ดขาดเนี่ยนะต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์ก่อนมันจึงจะละได้พวกเนี้ยละเด็ดขาดนะถ้ายังไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยก็ผู้ใดก็ละไม่ได้ว่างั้นเถอะเหมือนกับว่าโรคบางอย่างเนี่ยถ้าไม่วัคซีนจนเด็ดขาดจริงๆเนี่ยนะตอนนั้นไข้ไม่ขึ้นเพียงแต่ไข้ไม่ขึ้นเฉยๆ อย่างผู้ที่ศึกษาพระธรรมคําำคำสอนเนี่ยนะว่าโดยรวมๆแล้วเขามีอัป ต, ตาไหมก็ถ้าว่าโดยรวมๆแล้วถ้ามีข้อมูลดีๆนะแต่ถามว่าเขาละได้หรื อ, อยังก็เหมือนกับแบบเรามาวันนี้วันอุโบสถอะนะเอาไม่ไม่ไม่เอาทิถีเอาโทรศัพมาพุ่นเนี่ยที่มานั่งฟังธรรมเรียนธรรมปรารบศีลเป็นต้นเนี่ยถามว่าเขามีโทรศัพท์ไหมตอนนี้ไม่มีนะ แต่ถ้าถ้าได้ปัจจัยเขามีไหมมีแต่ว่าถามว่าโอหคนเนี่ยตระโกรธตลอดเล ย, ยไหมก็ไม่ตลอดนะนะเพราะว่าอากุศลเจตสิกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิริศอิจชาริสยามัจฉริยะกุกุจฐีนัมิทาหิริกะอนุตปะเนี่ยมันเกิดเป็นช่วงๆมันไม่ได้ว่ามันเกิดแช่อยู่ตลอดเวลาอะไรถ้าถ้าเกิดแช่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะก็ อย่างว่ามันก็แก้ไขไม่ได้อยู่แล้วการปรจารัจจัยที่เกิดอ้าวก็สังขารธรรมก็เป็นอย่างนั้นครับเขาก็ไม่ได้เกิดตลอดเวลาเลยเนี่ยนะเมื่อไหร่ที่เขาเพลิดเพลินกับบางอย่างที่หรือเขากําลังโกรธอยู่ก็ไม่ใช่อยู่แล้วขณะที่เขามีม า, น, านะขนขณะนั้นก็ไม่ใช่ขณะที่กุศ ล, ลจิตเขาเกิดเขาให้ทานเขาปรารบศีลก็ไม่ใช่อ่ะอนนะีคือไอ้คำว่าอัตตาเนี่ยนะไม่ใช่รู้บัญญัตินะมันก็มีลัทธิ ศึกษาสมัยใหม่ถือว่าการรู้บัญญัติเมื่อไหร่นั้นถือว่าเป็นอัตตาะฉนั้นอัตตาอันนั้นเป็นอัตตาของรัตที่อาจารย์สมัยใหม่เนี่ยนะเป็นอัตตาที่21เนี่ยนะที่ถามว่าถือว่ารู้ว่าบัญญัติแล้วเป็นอัตตาเนี่ยเป็นสกายยะทิฏฐิข้อ21ที่ไม่มีในคมภีร์เพิ่งบัญญัติขึ้นสมัยหลังเนี네่ยนะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็ ก, ก็ก็อีกประเด็นหนึ่งละเนี่ยนะเธอรู้ว่านี่ ya, เป็นคนรู้ว่าคนแบบรัตที่คุณบุญมีอ่ะนะแต่เห็นว่าใครเป็นใครเนนนนอัั้ป็ อัตตาเนี่ยนะเป็นสักกายาที่ติตลอดอันนั้นเป็นลัทธิของอาจารย์บุญมีเขานั้นก็ใครนับถืออาจารย์บุญมีก็ว่าไปตามนั้นแต่นี้ของเราไม่ไม่ถือตามแบบนั้นเพราะว่าคิดตามแล้วมันปวดหัวคิดตามแล้วก็ต้องกินยายอีกลําบากว่าโดยรวมๆนั้นนะคือผู้ที่ยึดถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอัตตาคือสําคัญว่าชีวะปุคละอัตตสัตตะคือสิ่งเดียวกันกับกับวัตถุนี้ซึ่งก็ไม่ได้เข้าใจแบบนั้นนะนะ แต่ก็มีบางคนอะนะอย่างในมิลินธปัญหาใครอ่านมาก็ถือว่ามัานมีไอพวกตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ใช่อัตานะแต่ว่ามันมีไอชีวะชนิดหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่ามันเป็นตัวพิเศษมันอยากเห็นมันก็ไปอยู่ตรงตามันเหมือนกับมีมีมีบ้านอยู่หลังหนึ่งอะนะมีหน้าต่างอยู่เส้นมีหน้าต่างสีทิศเนี่ยมันมีคนอยู่คนหนึ่งมีมีชีวะเนี่ยนะชีวะอันเนี้ย มันอยากเห็นมันก็ไปดูประตูนี้สมมติอันนี้เห็นนะมันก็ไปเห็นถ้ามันอยากฟังมันก็มาประตูนี้ถ้ามันอยากรู้อยากเช่นรู้รสมันก็มาประตูนี้อยากรู้โพธภาพมันก็มาประตูนี้เอนี่ยไอ้นี่มันคืออัตราแบบเนี้ยของของเดรัจฉีที่คิดขึ้นถามว่าอัตราแบบนี้ถ้ามีอยู่จริงสมมติหถ้าถ้าตามรัที่อันนี้ว่ามันมีไอตัวอัตรานะแน่นอนอยู่อย่างนั้นจริง ถ้าถ้าเดินตามเข้าอะ่ะต้องบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะคุณหลับตาแล้วคุณก็ใช้หูเห็นสิเพราะมันตัวเดียวกันใช่ไหมที่ไปเห็นที่ได้ยินอ่ะนะตั้งคำถามว่าเอ้างั้นนะคุณก็เอามือชิมแกงได้เลยนะเอาหลับตาแล้วก็มือล้วงเข้าไปใน น, น้ําแกงเนี่ยบอกได้วันนี้แกงเผ็ดนะนี้แกงจืดนี่อะไรงั้นก็ก็รู้ได้ใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าไอชีวะแบบนั้นมันไม่มีอยู่ไม่มีอยู่จริงแต่ว่าไอรับที่แบบเนี้ยถือว่า ไอตัวอัตตานี่ยมันอยากเห็นมันก็มาดูทางตามันอยากได้ยินมันก็มาฟังทางหูมันอยากรู้กลิ่นมันก็มารู้ทางจมูกมันอยากรู้รสมันก็ไปอยู่ที่ลิ้นมันอยากรู้โพธิภาพมันก็ไปอยู่ที่อวัยวะส่วนต่างๆเอออัตตาแบบเนี้ยใครใครที่ว่ามีอยู่บ้งรัที่ของเราอาจจะไม่มีนะถ้าศึกษาคําสอนมาระดับหนึ่งแล้วด้วยเหตุผลก็กละออกไปแต่ว่าลัที่แบบเนี้ยถ้าเป็นของแขกนี่จะมีเนี่ยนแขกนี่จะมีก็ถือว่าเป็นอัตตาชนิดหนึ่ง อันนัอัตราอันนั้นก็ไม่สมเหตุสมผลเพราะถ้าถ้าอย่างนั้นนะอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่ามันอยากรู้รสเนี่ยใช้มือรู้ก็ได้ใช่ไหมเพราะมันเป็นอัตราตัวเดียวกันที่ไปรู้รสที่ไปเห็นที่ไปได้ยินเป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นจึงไม่ใช่